ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องฝึกจิตว่างด้วยการงานโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่26ตุลาคม2539 นพพุทธสถานปฐมโสกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้น บ, บัตรนี้อากรอื่นพูดเรื่องที่ท่าน สุรโจพูดทิ้งค้างไว้หน่อยหนึ่งเมื่อกี้นี้ว่าเข้าพรรษาเนี่ยมีการได้ยินได้ฟังกันมาว่าเมื่อเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไปโปรดพระมารดาในดาววนดึงว่างั้นนะเมื่อเราฟังแล้วเราก็คิดเป็นรูปเป็นร่างคือดาววดึงคงอยู่ในที่สูงสูงที่หนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าก็หะไปที่สูงสูงที่ตรงนั้น พระมาณดาก็ยูที่ตรงนั้นนะท่านไปอยู่สวรรค์ตรงนั้นก็ไปโปรดท่านโปรดท่านนะโปรดท่านเสร็จแล้วก็มาพบกับพระพุทธพระาษาบุตรภาษาีบุต ร, รนี่เป็นผู้คอยเอาพระกยาหารไปถวายพระพุทธเจ้า เสร็จแล้วถวายคือมีคนทวงว่าเอ๊ะไปอยู่สวรรค์ตั้งนานสมเดือนแล้วไม่ได้กินอาหารเพราะสวรรค์ไม่มีอาหารแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ได้อย่างไงเขาก็เลยแก้ข้อกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าเนะ่ยเวลาเทศเสร็จแล้วท่านก็พักมาฉันฉันข้าอยู่ที่ข้างภูเขาเชเนรุน่ามีพระสารีบุตรคอยเป็นผู้ที่ให้อาหารถวายอาหารเหมือนัน เขาก็ว่ากันไปเป็นตุเป็นตะอะไรต่างๆนานาซึ่งคําเหล่านี้เป็นคาําบุคลาธิฐานเป็นคําที่เป็นตัวเป็นตนฟังแล้วก็คิดเป็นตัวเป็นตนก็ได้นะถ้าเข้าใจสารีบุตรคือคือใครพระสารีบุตรนี่คือแม่เป็นแม่ของาศาสนานะ ภาษาทีบุญนี่คือแม่เลี้ยงพระโมกคลาคือแม่นมนแม่นมนมภาษาทีบุญนี่คือแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงนี่ทํางานหนักนทํางานไม่ได้ติดได้ยึดอะไรมากมายแต่แม่นนมนี่ขี้มักติดยึดนะเขนาดเป็นเลี้ยงลูกของเขาไปเป็นแม่นมของเขายังดึ้อว่ลูกมาเป็นลูกของเราเลย <c oughs> แม่นมนมเลยยิ่งกินนมในเลือดในกายของตนเองยิ่งยึดติดหนัก ส่วนแม่เลี้ยงเนี่ยรู้จักสาระแม่เลี้ยงที่ดีนี่เลี้ยงลูกเหมือนอย่างลูกตัวเองเลยรักเหมือนลูกตัวเองเลี้ยงให้ดีเหมือนลูกตัวเองแต่ไม่ติดยึดเป็นลูกตัวเองนั่นคือแม่เลี้ยงพระสาวีบุตรมีปัญญาเพราะฉะนั้นรู้ดีว่าติดหรือไม่ติดยึดหรือไ ม, ม่ยึดส่วนพระโมคลานั้นยังสายเจโตยังมีสภาพติดยึดมากกว่าพระสารีบุตรนี่ในย่อละเอียดสรุปแล้วก็คือแม่ เพราะฉะนั้นเมื่อบอกไปโปรดแม่เขาเอาพระสารีบุตรเขาไปไปเป็นแม่แทนที่จะเอาพระอนนท์พระอนนท์เป็นอุปถากมไปคอยให้อาหารเอาอาหารประเคนเขาไม่เอาเขาเอาพระสารีบุตรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้โบราณอาจารย์ผู้รู้ท่านเล่าทั้งนั้นแหละมีในคาอธิบายต่อเนื่อ ง, งมาเรียก ว, ว่าคันดีกาจารย์อนุดีกาจารผู้รู้ทั้งหลาย เล่าต่อมาซึ่งก็ถ้าเข้าใจจริงก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆเราลึกที่สุดที่ว่าโปรดพระมารดามารดานั้นเหลือแต่จิตเหลือแต่จิตวิญญาณจิตวิญญาณนี้ถ้าบอกว่าจิตวิญญาณที่อยู่สวรรค์เราก็ไม่คิดถึงตัวตนจิตวิญญาณของใครก็ได้ที่จิตวิญญาณที่ดีในว่าสรรครจิตวิญญาณที่สูงเรียกว่าสรรค์ สวรรค์ที่โปรดได้คือสวรรค์ของโลกุตระสวรรค์ของโลกียะนั้นโปรดไม่ขึ้นหรอกสวรรค์ในโลกของโลกโลกียานี่โปรดไม่ขึ้นหรอกโปรดก็โปรดได้แต่แบบปลดโลกกับโลกียะนี่แหละติดบนเวียงอยู่ในสวรรค์สมมติสัจจะเป็นเทวดาสมมุติถ้าจะโปรดให้เป็นเทวดาที่เป็นอุปติเทพเป็นเทวดาที่เกิดใหม่เกิดในโลกุตระเกิดจริงเกิดเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิ ก็โปรดได้แต่สวรรค์หรือเทวดาอุปติเทวเป็นเทวดาชนิดอารยะเทวดาประเสริฐเทวดาที่ฉลาดชาญฉลาดมีภูมิที่แท้จริงจึงจะโปรดได้เพราะฉะนั้นพระมารดาที่หมายนี้หมายโปรดจิตวิญญาณที่จะไปสู่โลกุตรภูมิเป็นโสดาบันเป็นอารยะเมื่อเรื่องจบก็ไปโปรดมารดาก็บอกว่าเป็นสําเร็จเป็น โซดาบันประมาณดาเป็นโสดาบันเป็นอริยะได้เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณ น, นี้จึงเป็นจิตวิญญาณที่เป็นจิตวิญญาณอาริยะไม่ใช่จิตวิญญาณในภูมิโลกิยะเท่านั้น น, นี่ก็ ค, คือความหมายที่แท้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ยึดตัวตนเราเข้าใจไม่เป็นอัตภาพไม่เป็นเข้าใจเป็นจิตวิญญาณ น, นี่คือตัวตนของคนนั้นของคนนี้ ถ้าเข้าใจความหมายเท่านั้นเองความหมายของจิตวิญญาณก็คือสภาพรับรู้เพราะนั้นผู้ใดรับรู้ได้พระพุทธเจ้าก็โปรดทั้งนั้นแหละทําไมถึงเรียกว่าวิญญาณเหล่านั้นเป็นมารดาที่เราว่าวิญญาณเหล่านั้นเป็นมารดามารดาคือผู้ให้การเกิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตั้งจะสอนในสิ่งที่เกิดในสิ่งที่เกิด เมื่อผู้ใดรู้จากการเกิดอย่างฉลาดอย่างอริยะรู้เท่าทันการเกิดอย่างอริยะแล้วก็ไม่ตกเป็นธาตของการเกิดที่เป็นอริยะผู้นั้นแหละคือสุริมห า, มายาสิรินุปรบดีมหาก็ยิ่งใหญ่มายาก็คือสิ่งที่ยังเป็นสภาพอยู่เป็นภาพ มายานี่หมายถึงภาพถ้าเข้าใจไม่ได้ไม่ใช่อรยะไม่ใชอาริยะไม่ประเสริฐแท้เป็นโลกียะก็จะเป็นความลวงมายาคือความลวงแต่เมื่อเป็นโล ก, กุตระแล้วเมืองอาริยะเมืองประเสริฐแล้วไม่ใช่ความลวงเป็นสัจจะเพราะฉะนั้นสภาพที่เกิด สิ่งนั้นไม่เป็นความลวงไม่เป็นสัจจะและก็คือสิ่งที่ดีที่เกิดมหามายาสิริมหามายานี่คือสิ่งที่เกิดมาเป็นสภาพที่เป็นที่มีในโลกไม่รู้ในโลกนี่จะจะจะเห็นเป็นความลวงความสุขก็เป็นความจริงแต่ที่จริงเป็นความลวงเงี้เป็นต้นเขาเห็นความสุขเป็นสิ่งที่น่าเสพน่าด้ก็อยู่กับความลวงสวรรค์ลวง เพราะฉะนั้นสตรีมหามายานั่นจะต้องรู้เท่าทันสวรรค์ลวงว่านั่นคือเป็นเหตุเป็นผลของความทุกข์ที่เราหลงไหลมันเท่านั้นเองแล้วก็มีรสชาติลักษณะอย่างที่เราเรียกว่ามันเป็นสวรรค์มันเป็นความอร่อยเป็นความสุขเป็นความรื่นรมอะไรก็แล้วแต่อาการของโลกิยรสอย่างนั้นน่เป็นมายาพราะพุทธที่ เข้าใจอันนี้ได้ผู้นั้นก็รู้ว่าโอ้สิ่งนี้เกิดได้เป็นได้เกิดได้เป็นได้แต่มันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ของหน้าติดหน้ายึดนี่เป็นต้นผู้ที่เข้าใจธรรมะในระดับอย่างนี้ได้คงรู้จักวางความอร่อยโดยความอร่อยที่วางได้เป็นลําดับตั้งแต่อบายมุกเป็นต้นเือของหยาบสําหรับแต่ละบุคคลของขั้นตอนที่เป็นขั้นต้นของแต่ละบุคคล วังรสอร่อยนั้นได้ละได้ทำลายได้จนกระทั่งกลายเป็นกลางๆมันไม่เป็นรสอร่อยอะไรสัมผัสแล้วก็เออรู้ความจริงอันนี้แต่ก็เป็นลักษณหน้ายินดีไม่ใช่ลักษณะที่ทุกทรมานนะไม่ใช่เรื่องของความทุกแต่เป็นเรื่องของความน่ายินดีเมื่อไม่ทุกก็จบเป็นสิ่งที่น่ายินดี แม้จะเป็นแค่โสดาบันก็เอ้าโสดาบันอาจจะติดความยินหน้ายินดีนี่บ้างก่อนก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นภูมิสูงแล้วถ้าจะไม่ติดไม่ยึดแม้แต่สิ่งที่น่ายินดีนี่ก็ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่น่าติดเป็นเราเป็นของเราถ้าจะไม่ยึดเป็นเราเป็นของเรานั่นเป็นความสามารถพิเศษอันสูงสุดที่ศาสนาพุทธนี้จะเข้าใจแล้วก็ทาให้ได้นะเป็นภวะสุดท้ายสรุปแล้ว โปรดมารดาก็คือโปรดจิตวิญญาณที่เจริญของใครก็ตามได้โปรดจิตวิญญาณให้เจริญได้นั่นคือโปรดมานดาและจิตที่เกิดอยู่ที่ให้การเกิดอยู่นั้นก็จะไปสืบทอดอาตมาได้สอนผู้ที่เจริญเป็นอริยสอนให้เจริญให้เป็นอริยได้ไม่ว่าจะเป็น ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือจะเป็นพระหรือเป็นคารวาสก็ตามสามารถให้จิตเจริญขึ้นได้จิตนี้เกิดเกิดเพื่อที่จะไปอิทัิปัจจยตาเพื่อที่จะไปเป็นปัใจจัยในการก่อเกิดอีกจะไปทำความเกิดให้แก่ผู้อื่นอีกแล้วก็ไม่ใช่ไปให้ความเกิดแบบสถาระหรือเป็นแบบ ผู้ที่มีชื่อว่าเมียธาระนี่แปลว่าเมียไม่ใช่ไปให้การเกิดอย่างผู้ที่ชื่อว่าเมียและให้การเกิดจะแค่รูปธปาตุให้การเกิดแต่ทางชีวิตแบบโลกๆแบบบุคคลตัวตนเท่านั้นไม่ใช่แต่ให้การเกิดที่เป็นคุณภาพหรือคุณธรรมเป็นการเกิดที่มีคุณลักษณะอันดี รา้านผู้ใดที่ทำหน้าที่ให้การเกิดแก่คนโดยให้การเกิดคุณลักษณะอันดีนั่นคือสิริมห า, มายาคือพระมารดาอันยิ่งใหญ่ใครก็เป็นได้ใครก็สามารถหามารดานี้ได้พระพุทธเจ้าโปรดคนให้ไปสร้างมารดาอย่างนี้โปรดมารดาอย่างนี้ให้เป็นมารดาที่มีภูมิอย่างนี้ เราะะนั้เมื่อตั้งใจศึกษากันจริงๆแล้วได้อันนี้เกิดก็เป็นจริงไม่ว่าจะเข้าพรรษาออกพรรษาถ้าบอกว่าการเข้าพรรษาคือการรวมการศึกษาเข้าพรรษานี่รวมการศึกษาก็เอาตั้งอกตั้งใจเอาเพราะผู้ทธไดได้ภาคเพียนแล้วในพรรษานี้เกิดมารดาหรือเกิดผู้ก่อเกิดตนเราเองก็เกิดมารดา เราก็จะเป็นผู้สืบทอดหรือเป็นผู้ที่จะไปให้การเกิดแก่ผู้อื่นเราก็ไปเป็นมารดาฟังไหมไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมโมนาต้องถามเด็กๆดู ก, ดกันไครขันรู้เรื่องไหมรู้บ้างอ่ ตะเกตทรายพอได้นั่นแตอบเนื้อชั้นก็อีกสองคนนะสองคนนั้นบอกว่าดูบ้างอีกคนนึงว่าพอได้น่นเหมาะสมจะไปสอบเข้าแพทย์อยู่นะเอาไ้สอบเข้าแพทย์ให้ได้กันแล้วกั น, <c oughs> นแต่นี้การติวนะเนี่ยพอรับให้ไปติวนะนนี่มาอยู่ที่นี่เสีตั้งปิดเทอมเมื่อฉนเดตั้งเปิดเทอม <c oughs> เอ้าก็ไม่เป็นไรนะาไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เ, เรียนอะไรก็เรียนสิ่งที่ดีๆมีให้เรียนเยอะๆไปน่ เ, เรียนหน้าที่แพทย์ดีไปทถ้าไปเป็นแพทย์เป็นแพท ย, เพทย์เป็นหมอฟันก็แหลกไม่ได้เรื่องหมอฟันก็บาดเลือดบาดบาบหนาะถ้าไปไม่ใช่หมอฟันหมอทันตแพทย์นะหมอฟันนี่หมายคำว่าหมอใช้มีหดหดหมอหมออ่ะ มอสูบเลือดนะหมอดกคิวร่าแล้วแต่น ะ, ะก็คงจะพอเข้าใจกันได้บ้างสำหรับผู้ที่รับการศึกษามาที่อาตมาได้บรรยายธรรมามาทั้ง 10, 20, 30ปีกำลังย่างเขาปีที่30กํากำลังย่างเขาทศวรรที่3แล้วนี่นะก็คงจะพอเข้าใจกันพอสมควรอาตมานำเรื่องไว้หนัก นันนําเรื่องของจิตวิญญาณในระดับหนักนี้นี่ก็ตั้งใจขยายเอาไว้อย่างนั้นละฟังไปติดหูติดใจเอาไว้ผู้ใดเข้าใจได้ก็ดีก็ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรฟังฟังไม่ก่อนนะเมื่อได้โปรดเทวดาแล้วลงมาวันปรืนนี้มเรื่องนี้ไม่ใช่โ น, น่ น, นวันที่สองวันที่2ที่สวันที่สองเรานนจะตบบาดเทโว ลงจากดาวดึงมาก็มาบิณฑบาตก็เล่ากันไปมาลงจากเทวกระเทวะเทวดาเนี่ยตักบาตรเทวดาลงมาจากเมืองเทวดาก็มาตักบาตรกันการตักบาตรการที่จะเลี้ยงดูผู้ที่ได้รับภูมิดีหรือเทวดาได้รับภูมิสูงโปรดผู้มีภูมิสูงเลี้ยงดูผู้ภูมิมีภูมิสูง เกื้อกูลผู้มีภูมิสูงเอาไว้เพื่อให้ทำประโยชน์คุณค่าแก่สัตว์วโลกแก่มนุษยชาติมันก็เป็นสิ่งที่ดีงามแน่นอนได้บุญสูงตบาทเทโวได้บุญมากก็แน่ๆใครจะเข้าใจเป็นรูปธรรมก็ได้ไม่ผิดใครจะเข้าใจเป็นนามธรรมาก็ยิ่งดีไม่ผิดนะัถูกต้องเหมือนกันตักบาทเทโวตักบาทผู้ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพิ่มภูมินิ่งได้ภูมิเป็นอริยะสูงขึ้น อตาตมาว่าในสมเดือนนี้ตั้งใจศึกษาดีๆภาคเพียรดีๆปีนี้อตาตมาไม่ได้เข้ามาไม่ได้ลงมาอธิบายทีนักกาตาต็ตามแต่อาตมาแน่ยจะาอตาตมาได้อธิบายแม้จะไม่ทีบางครั้งบางคราวเทศที่จริงเทศที่นี่ดูคุ้นจะมากกว่าเทศที่สันติอโศกนะเทศแต่ละทีแต่ทีอตาตมาว่าอตาตมาได้เจาะลึกในเรื่องปรมัตญามากเทศปีนี้ก็ไม่ได้เทศเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวัตถุ อะไรมากมายไม่ได้เรียดเทถึงเรื่องแม้จะกว้างนะจะอธิบายไปถึงวงกว้างของสังคมแต่ก็มีสภาพของปรมัตมากนะถ้าฟังดีๆแล้วเราจะสามารถรู้ลึกซึ้งนำสภาพของปรมัตเหล่านั้นมาปฏิบัติประพฤติเพื่อที่จะให้เกิดคุณค่าเจริญแก่ตนแก่ตนได้อตมามั่นใจว่าได้ เพราะฉะนั้นจะได้มากหรือได้น้อยก็คือจิตพัฒนาขึ้นเจริญขึ้นนั่นคือการเกิดการเจริญการเจริญขึ้นตามทางที่เป็นสัมมารอริยมรรคเป็นมรรคเป็นผลเดินมรรคขึ้นไปเรื่อยๆเดินกันไปตามทางเรื่อยๆนั่นคือการเกิดของพระอริยะการก้าวก้าวของพระอริยนั่นพวกเราถ้าปฏิบัติ ด, ดีภาคเพียรไม่ได้เป็นอริยะมากก็อริยะนอย้อยๆอาตมามั่นใจว่าถ้าตั้งใจศึกษาภาคเพียรปฏิบัติจริงเราจะได้ น, นี่นก็คือเทวดาโปรดเทวดาแล้วก็มีเทวดาเกิดมาเกื้อกูลมายินดีกับผู้ที่ได้เป็นเทวดากันตักบาทเทโวมาเกื้อกูลมาเลี้ยงดูมาช่วยเหลือเฟื่อฟายมาสืบทอดต่อเอาไว้แล้วก็จะทำให้พวกเราเจริญด้วยมั่นคงยืนยาวไปให้ประโยชน์แก่มนุษยชาติไปอีก นานเท่านานนะประเด็นที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องที่ยังเข้าใจกันไม่พอคือเรื่องทำงานที่อาตมา ต, ต้องพูดทั้งเรื่องทำงานมากก็เพราะว่ า, าศาสนาพระเจ้า ค, คือาศาสนาแห่งกรรมกรรมแปลว่าอะไรใครแปลถูกตัวอาตมาตว่าคนนั้นจะเป็นอย่างน้อยเป็นโซดาแน่เลย กรรมแปลว่าอะไรเอาฮะกรรมแปลว่าอะไรการกระทํำอัตมาหมายไว้ในใจนะว่าให้ถูกตามใจอัตมาหมายยังไม่ถูกอัตแปลว่างานกรรมแปลว่างานหรือการงานไม่ใช่การกระทําเท่านั้นคําว่างานนี่คุณเข้าใจภาษาไทยไปอย่างหนึ่งใช่ไหม กระทำคุณเข้าใจไปอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมกรรมนีแ่แปลว่างานงานคุณฟังดีๆนะงานงานไม่มีคนนี่มีงานไหมไม่มีงานไม่มีคนมันไม่มีงานนี่ ค, คนไปกระทำงานนี่คือคนไปกระทำคำว่ า, างาน ที่อาตมาใช้คําว่างานก็เพราะว่ากรรมเนี่ยมันมันกรรมอะไรก็ได้กรรมมันอยู่เฉยๆก็ได้กระทำกระทำการอยู่เฉยๆก็มันไม่เป็นงานกระทําการอยู่เฉยๆนี่เป็นงานไหมเขาพยายามอธิบายเหมือนกันว่านั่งหนึ่งๆเนี่ยเป็นงานชนิดหนึ่งนั่งหนึ่งๆทําสมาธิเขาว่าเป็นงานชนิดหนึ่งการทําสมาธินั่งไม่นิ่งไม่คิดอะไรเป็นงานชนิดหนึ่งเขาพยายามอธิบายเหมือนกัน แต่ในความหมายที่เรารู้กันดีแล้วว่าถ้าว่างงานมันจะต้องเป็นเรื่องเป็นราเป็นบทเป็นบาทมีชิ้นมีอันมีผลของงานเกิดมาเป็นรูปเป็นตัวเป็นสิ่งที่ได้ใช้ได้สอยได้ซ้ําเพราะทํางานแล้วจะมีสิ่งที่เกิดเป็นผลต่อเนื่องมาเป็นผลผลิตเป็นแรงงานก็ดีจากแรงงานก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นผลผลิตออกมาเป็นกอบเป็นก้อนเลยทีเดียวนะในว่างงาน อาตมาเขายืนยันว่าเกิดมาเป็นคนนั้นเกิดมาทํางานเอาทั้งคำสองคารวมกันเอาเกิดมาทํางา น, นาเกิดมามีงานเกิดมาเอางานเอาการเกิดมาเป็นคนที่ดีเกิดมาเป็นคนเอางานเอาการทีนี้เมื่อเป็นศาสนาพุทธที่มันเอียงไปแล้วนานหลายร้อยปีมาแล้วมันศาสนาพุทธที่เอียงไปในข้างฤาษีข้างหยุดก็ได้หยุดกันใหญ่เลยหยุดก็เลยเกิด เห็นตามว่าหยุดนี่แหละเบาหยุดนี่แหละสบายหยุดนี่แหละวางดีหยุดนี่แหละไม่หนักอาตมาก็พูดไม่รู้กี่ทีแล้วอาตมาไม่เทียงก็หยุดมันก็เบาไม่เทียงหยุดมันก็ว่างไม่เถียงหยุดมันก็ง่ายดีไม่เทียงทำไมต้องหยุดก็เพราะไม่อยากทำอ่า ขพราะคเกียดเพราะไม่อยากหนักเพราะไม่อยากเมื่อยอะไรก็แล้วแต่เพราะคนเรามักง่ายอยากจะอยู่ง่ายง่ายว่างๆเบาๆนี้งานหนักสมัครงานเบาอย่างที่เคยได้ยินพูนคำพังเพยอะไรกันคนอย่างนั้นไม่ได้สาระพระพุทธเจ้าทำงานโอ้โหรู้ไหมพระเจ้านอนวันละกี่ชั่วโมงในสีชั่วโมงนั้นนอนเปล่าปะ ท่านทำงานดิสอนเทวดาอีกไนงะตกลงพระเจ้าทํางานตลอดหยบใส่ท่านทําได้เกินเชื่อท่านทําได้เกินเกินที่จะเชื่อได้ซึ่งจริงเพราะจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมสามารถทํางานอาตมาก็ว่าอาตมาทํางานแม้ทุกวันนี้อาตมาก็ไม่พยายามที่จะนอนอย่างดับนอนอย่างดับสนิทดับไม่ทํางานเลยจิตวิญญาณปิดเงียบ ไม่ทำอะไรเลยอาตมากม็พยายามนอนอย่างนั้นอาตมานอนทำงานประมาณหนึ่งและโดยอัตโนมัติอาตมานอกจากบางครั้งมันโอ้โหมันเปรียมากเดี๋ยวดับเครื่องหยุดซหน่อยปิดซะหน่อยบางครั้งเท่านั้นถ้าปกติแล้วมันไม่เมื่อยถึงขนาดจะต้องตั้งใจว่าเดี๋ยวต้องพักต้องรับต้องดับให้สนิทถ้าไม่ถึงครั้งที่จะเมื่อยถึงขนาดนั้นอาตมาจะไม่ดับ สนิทนอนจิตทํางานทํางานตามประสาอาตมาแหละเพราะอาตมารู้อยู่แล้วว่าให้จิตทํางานและจิตอาตมาจะทํางานอย่างไรถ้าจิตอาตมามีความวุ่นวายมากมีความโลภมีราคะโทสะมากมันก็จะทํางานโดยมีกิเลสเหล่านั้นเข้าไปปรุงมากแต่ถ้าอาตมาไม่มีกิเลสเหล่านั้นไปปรุงมันก็จะทํางานตามจริงของใครก็ของใครอะ่ะมันก็ทํางานตามจริงตามจิตของคนที่มีสิ่งที่มี เรามีกิเลสกิเลสก็ต้องไปทํางานด้วยเราไม่มีกิเลสกิเลสก็ไม่ไปทํางานโดยเฉพาะยิ่งตะตอนนอนหลับนอนเราเนี่ยไปควบคุมมันยากเพราะฉะนั้นกิเลสมันจะออกมาทํางานอิสระมากในตอนนอนเนี่ยกิเลสมันไม่ถูกควบคุมสติมันจะหมดสติมันจะตกลงไปเยอะกําลังของสติจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้มากเพราะฉะนั้นเวลานอนกิเลสจึงไปทํางานในพบมาก คนไม่มีกิเลสก็ไม่มีกิไ ม, มกไม่มีกิเลสไปทํางานในพบอะไรมากนักสามารถควบคุมได้มากกว่าก็ทํางา น, นนั้นได้โดยที่ไม่มีกิเลสไม่มีเรื่องยุ่งอะไรมากมายนักได้ได้ประโยชน์นะพระพุทธเจ้าท่านเก่งแล้วท่านพักอยู่ในท่านมีศูนต ว, วิหารธรรมสนิทเนียนมากอย่างพระษารีบุตรเนี่ยยังมีศูนยต่อ ว, วิหารไหมมากมายอ่าเพราะฉะนั้นเครื่องอยู่ของภาษาดีบุตร จึงถือว่าวิหาระวิหารธรรมเรื่องยังอยู่ไม่แช่ข้อไปวิหารธรรมของพระพุทธเจ้าของพระสารีบุตรจึงอยู่กับเมตตาวิหารธรรมไม่เหมือนสุญญะวิหารธรรมเหมือนพระพุทธเจ้านะมีเมตตาวิหารธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละอาตมาพูดไปมันก็ยิ่งจะลึกยิ่งจะละเอียดกว่าอาตมาจะเข้าหาว่าเรื่องของการงานเนี่ย พะเราเข้าใจมาตามโ บ, ร, บราณปุรัมปรามาคนสอนอาจารย์โบราณอาจารย์ก่อนๆสอนมาก่อนมามากลายร้อยหลายพันปีมันเอียงไปในทางรุษีในทางมักง่ายในทางหยุดออกนอกทางมักองค์แตกไป ซึ่งอาจารมาก็เอามาอธิบายมากมายว่ามรรคองแปดนั่นแหละเป็นทางเอกเป็นทางเลิศทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นวิเศษสุดในมรรคองแปดนั้นก็เพี้ยนไปแปลเอาสัมมาสมาธิว่านั่งหลับตาอีกทั้งทั้งที่ในมหาจัตตารีสกสูท่านไม่ได้บอกเลยว่าสัมมาสมาธิเป็นอย่างนั้นนี่ไปนค้นได้เลยเปิดอ่านมหาจัตตารีสกสูจะร้อยเที่ยวไปไม่มี สมาสมาธิไม่ใช่คือการนั่งนิ่งหลับตาแต่คําว่าสมาธิกลางๆนั้นน่ะสมัยพระพุทธเจ้ามีมาก่อนมากเก่านีม่มาก่อนสมาธินี่รู้กันทั่วไปแล้ว เ, เมดิเทชันนี่ก็นั่งสะกดจิตเข้าทําจิตสงบในผวังพระพุทธเจ้า อ, อุบัติขึ้นออกไปดูซิตรวจทางดูซิตอนแรกก็ยังไม่ยังต้องตรวจอะไรตรายอยู่ยังไม่ใดีแต่ว่ายังไม่ครบพร้อมทิเดียว จริงมีแล้วละ่ะพื้นมีอยู่แล้วละ่ะลึกๆเมื้องตมาละ่ะมันก็มีพื้นเองอยู่ลึกๆมีสยังกัิญญาอยู่อย่างพระเจ้า ก, ก็มีสยามพวงท่านแต่ว่ายังไม่ท่านยังไม่ได้ถึงวาระท่านไปเรียนเกศโอาลารานดาผลอุทกดาบทก็ไปนั่งสมาธิน่ะเป็นรูปประฌานอะรูปฌปานเท่าไหร่อย่างลึก อ, อย่างในสภาพดับกับสภาพไม่ดับแท้ในวาสัญญาณาสัญญาแค่นั้นท่านก็บอกไม่ใช่ทางท่านก็นเลือก ก็รู้กันทั้งนั้นเดิเรียนประวัติพระพุทธเจ้ามาก็รู้ทั้งนั้นแต่ก็ไม่เข้าใจเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็มายืนยัดยืนยันเมื่อถึงที่สุดก็จะต้องกลับมาสู่มรรคองค์8ซึ่งเป็นทฤษฎีหลักของศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สรงสอนมรรคองค์8ในมรรคองค์8นั้นสัมมาสมาธิในมหาจตารีสักสูตรยืนยันไใบชัดว่าไม่ได้เกิดเพราะนั่งหลับตาแต่เกิดเพราะปฏิบัติองค์7 ระ บ, บุไว้ชัดโดยภาษาก็าชัดเจบอกเลข7บอกภาษาคาว่าเจ็ดสตะเจ็ดมรรคองทั้ง7นี่แล้วจะเกิดเป็นสมมาสมาธินะเกิดเป็นสมาสมาธิเพราะฉะนั้นจิตที่จะปฏิบัติให้เป็นสมาธิแล้วก็เป็นวิมุตเป็นฌานเป็นวิมุตเป็นฌานได้นี่แหละเกิดผลเป็นญาณเป็นวิมุต สมามตถึงองค์ที่7เป็นสมาสมาธิก็เกิดผลอันนี้คือมรคทําให้สมาสมาธิเกิดผลจะเกิดตามมาเองเป็นญาณเป็นวิมุตต์เป็นญาณเป็นวิมุตต์เป็นผลสองมรค8ผลสองเกิดเองเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วเนื้อแท้คือการปฏิบัติธรรมด้วยมรคองค์8ทั้งคิดก็ปฏิบัติธรรม พูดก็ปฏิบัติธรรมทำการงานอะไรมีอิริบทไหนไหนก็ปฏิบัติธรรมแม้แต่งานนั้นชื่อว่าอาชีพก็ปฏิบัติธรรมทีนี้เมื่อเรามันใจมันเอียงไปข้างอยากจะหยุดพอมาปฏิบัติอาตมาอาตมาก็จู้จี้จุกจิกให้แต่ปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติงานปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติงาน เสร็จแล้วก็แพ้ภัยตัวเพราะจิตมันมุ่งอยู่แต่ว่าเอ้ยมันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมหนึ่งสองไม่เข้าใจและก็ไม่สามารถปฏิบัติธรรมในภาวะปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญมันไม่แววไวมันไม่รู้ความจริงมันอธิบายแล้วก็อธิบายอีกอธิบายแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องอ่านจิตตัวเองไม่ทันมีเหตุมีปัจจัยมีสัมผัสเป็นปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวาร ก็เห็นรูปสัมผัสรูปเป็นจากคุสัมผัสก็เกิดเวทนาเวทนาก็แบ่งแยกออกไปถึงร0 8แนะนำแล้วมันเป็นยังไงมันทุกข์มันสุขทุกข์สุขต่างๆมันเป็นลักษณะยังไงเกิดมาจากเหตุอะไรผัดเป็นปัจจัยจนเห็นอนิจจังอย่างไรเห็นทุกข์ลดเหตุแห่งทุกข์จนเห็นความจางคลายก็อธิบายอธิบาย เห็นกิเลสมันลดลงมันจางมันคลายลงนั่นน่ะคือญาณคือตาทิพตเห็นความจริงเออเราสู้ได้ในขณะปฏิบัตินี่แหะของจริงไม่ใช่เป็นนั่งคิดเอาในขณะคุณนั่งคิดเอานี่นั่งหลับตาภาวะไปอยู่ในภวังเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันมิปัสนญาณา น, นั้นจะต้องมีภาวะปัจจุบั น, นธรรมด้วยเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นในขณะปฏิบัติเกิดเหตุเ ก, เ, หตเกิดกิเลสเองเนี่ยผัสสะปับ๊บเห็นรูป ได้ยินเสียงก็ว่ า, างี้ตาเห็นอย่างงี้แหมไม่ชอบใจตาเห็นนะใจมันไม่ชอบหูได้ยินนะใจมันไม่ชอบลิ้นได้รสนะใจมันไม่ชอบสัมผัสทางกายมันใจมันไม่ชอบหรือใจมันชอบก็แล้วแต่มันก็เป็นกิเลสทั้งสองด้านเป็นสมนัสเวทนาหรือเป็นโทมนัสเวทนา ถ้าไม่เรียนรู้ก็เป็นเคหะสิตะสมนัตหรือเคหะสิตะโทมนัตอยู่ตลอดกาลคืออย่างชาวบ้านอย่างชาวโลกอย่างโล ก, กี้เคหะสิตะแต่ถ้าเรียนรู้แล้วปฏิบัติจริงคุณก็เป็นผู้ที่ภาคเพียรปฏิบัติเลยว่าเนกขมะมือเนกขมะสิตะสามารถปฏิบัติเห็นรู้ว่าโอ้โหนี่เป็นทุกข์ทุกข์ก็คือปฏิบัติอยู่ ละยังไม่ได้ลดยังไม่ได้แต่เรากําลังพยายามที่จะลดจะละเป็นภาคปฏิบัติรู้ตัวว่าเราปฏิบัติแต่เรายังสู้กิเลสไม่ได้หรือสู้อย่างทุกสู้อยู่อย่างหนักทุกก็ตามก็เรียกว่าโทมนัสเนคขมะสิตะโทมนัสเวทนา่ะมันเป็นความรู้สึกเวทนานี่เป็นความรู้สึกของเราอาการรู้สึกมันยังทุกอยู่นะทุกอยู่ก็ทุกแต่ได้ไหมล่ะผล ถ้าได้ผลลดได้ละได้เออนั่นละ่ะคุณก็มีความความเจริญมีภาวนาใหม่มีความเจริญนะภาวนานี่ทํ้าให้เกิดผลทำเข้าเสมออาเสวนาคบคุณไม่ให้นีสสงครามไม่ให้นิสตรูอาเซวนานี่แปลว่าประจันแปลว่าคบคุณคบให้คุณคบไปเคยคบบ่อยๆพบบ่อยๆไม่ช่นหนีบ่อยๆ อ, อ, อาเซวนา พบบ่อยๆครบบ่อยๆครบไปคุ้นอาเสวนาจำไว้อาเสวนาไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้โจดไม่ใช่นี้สงครามไม่ใช่นี้สนามรบต้องเป็นนักรบที่ลุยสนามรบเข้าสนามรบเสมอแล้วตรบบไ้ชนะเลือดออกกว่าเอานั่นคือนักรบที่แท้อาเสวนา แต่สมัยอาเสวนาแปลว่านักรบที่ไม่หนีสนามรบนักรบที่ไม่กล้าประจัญศัตรูจะคบคุนกับศัตรูนั่นคือนักรบของพระพุทธเจา้าอาเสวนาภาวนาพระหุรีกัมมังจึงจะเกิดผลเห็นมันเกิดผลที่มันได้ผลก็ดีมันไม่ได้ผลก็ให้รู้ว่าเออเราแพ้มันนะนั่นคือเราไม่ได้ผลก็แข่แต่ผลนวิชาทิฐิ แต่ถ้าได้ผลก็พ้นสักกายติถิทุกเมื่อทุกตัวทุกขณะผลสักกายกกติถิทุกขณ ะ, กก ะ, ขณะถ้าได้ผลผลศิลปตปรามาตพ้นศีลพรนที่ไม่ใช่แต่สักแต่ว่าทําแต่ทําได้มีผลไม่ใช่แก่หลบๆคลําๆไม่ใช่แก่เล่นๆหัวๆเหยาะๆใหญ่ๆไม่ใช่คนนี้เอาจริงถ้าแพ้แกไม่รู้ว่าแพ้ก็พยายามใหม่ทําให้มากพะรุลีกำมังน่ะ อันที่นี้ประเด็นที่ว่าพวกเราเนี่ยถูกอาตมาเคี่ยวเข็นในทำงานก็ก็ไม่ค่อยเชื่อก็เป็นมาเลี่ยงบอกว่าเราควรจะหนีเราควรจะเอาใจของเราเราควรจะทำปฏิบัติทำซะก่อนให้มารู้ทำแล้วค่อยมาทำงานไอ้คานี้เป็นคำแก้ตัวเป็นคำที่ไม่สอดคล้องกับทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่างานใดที่เราเข้าไปทางานนั้นแล้ว เราทำไม่ไหวจริงๆมันเป็นงานที่มันหนักเกินแรงมันมีภาวะกระทบสัมผัสแล้วกิเลสเราสู้ไม่ได้เช่นไปปั้นขนมไปปั้นสาลเปาโอ้โหสาละเปามันเล่นงานเราแย่เลยเราทนไม่ได้กิเลสโหขาดทุนจมเลยสวาปามก็ไปจะเต็มทีเลยอดไม่ได้ใจสู้ไม่ไหวเออดังนั้นคุณก็อย่าไปปั้นสาลเปาไปทำประ มันอาจจะไม่ชอบเท่าสละเปาก็ได้นี่ไปทําปลาระปลาเจน ะ, ะเราไม่ทำ ป, ปลารปลาแล้วเราทําปลาเจมันเหนม็นเหมือนกันปลาระเจก็เหม็นไปทําสลัเปามันก็เหม็นเท่าไหร่มันก็เออมันชักกินดีอะไรก็ได้เงี้เป็นต้นหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําแล้วสู้ไม่ได้ด้วยราคะสู้ไม่ได้ด้วยโทระชังก็ตามชอบก็ตามสู้ไม่ได้ มันแรงไปมันสู้ไม่ได้เราก็เลือกงานอื่นที่มันพอเหมาะกับเราแต่ต้องสู้งานนั้นต้องตั้งตน อ, อยู่บนความลำบากต้องได้สู้ไม่ใช่ว่าไปแล้วก็สบายๆดีไม่ดีไม่สบายแลวเสพมันซะเลยกก็จมมาทีเสพมันเลยติดมันเลยก็แย่ น, นี่นัยยะมันลึกซึ้งนะเพราะั้นการทำงานนั้นต้องประมาณให้สมตัวแล้วก็ต้องมีงานที่สมตัวงานใดที่เราไม่ค่อยชอบนั่นแหละ เป็นงานที่เราได้ฝึกมันอย่างดีทีเดียวมันไม่ชอบทําไมไม่พอใจมันมีคุณค่ามมีประโยชน์มันก็ไม่อยากเกินอะไรนักมันก็ไม่หนักหนาอะไรนักมันอาจจะลกมันอาจจะเรอะมันอาจจะสกปรกมันอาจจะเหม็นอะไรก็แต่แล้วแต่เออทําบ้างอย่างพยายามให้พาทำต้องตักส้วมต้องเช็ดส้วมต้องพยายามกําจัดอะไรตัวพวกโสโครกให้มันสะอาดอะไรอย่างนี่เป็นต้นซึ่งคนมันจะชังใช่ไหมเป็นลักษณะธรรมชาติง่ายๆสามัญ คนมันจะชังมันไม่ค่อยอยากจะทำหรอไอของอย่างนั้นมันรังเกียจต้องละความรังเกียจนี่ตัวอย่างนี้เป็นต้นเราต้องฝึกของชอบก็ต้องหัดหัดวางใจของชอบนี่มันจะพาติดก็หัดวางใจของชังมันจะผลักก็ต้องเข้าไปหาฝึกมันให้จกนกระทั่งวางใจเพราะวางใจแล้วก็จะสบายอัตมาจะยกตัวอย่างสักอย่างนะบางทีอาจจะเข้าใจได้ดีคือ แต่ก่อนนี้พวกเราเนี่ยเกลียดเยี่ยวโอ้ยถูกนิดถูกตัวต่อยก็ไม่ได้นะฝึกมาฝึกไปบอเราบอกอยเยี่ยวนี่ยจะไปแค่ถูกตัวทำไมกินก็ได้ล้างหน้าก็ได้พอมาฝึกกินเยี่ยวมาฝึกเอาเยี่ยวล้างหน้าล้างต า, าฝึกนักเข้าเฮ้ไม่เห็นเกลียดเยี่ยวเลยเยี่ยวก็คือเยี่ยว เนี่ยอาตมาได้รับรายงานในทางวิทยาศาสตร์เขาอาตมาเพิ่องอ่านรายงานนั้นในกระบวนการน้ําในร่างกายในมีน้ําเยี่ยวเป็นน้ําที่สะอาดที่สุดนี่คือวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์แล้วน้ําในกระบวนน้ําในร่างกายเราน้ําเยี่ยวเป็นน้ําที่สะอาดที่สุดเป็นน้ําที่ปราศ จ, จากโรคไม่จะมีเชื้อโรคนะน้ำเยื่อมีเชื้อโรคหรอกคนมีโรคก็ไม่ได้มีเชื้อโรคกินตรงนั้น เป็นน้ําที่สะอาดที่สุดถ้าเชื้อโรคเข้าไปในกระเพาะเยี่ยวของคุณได้แล้วคุณเอ้ยคุณตายแล้วถ้าเชื้อโรคมันเข้าไปในกระเพาะเยี่ยวคุณได้เพราะในน้ําเยี่อไม่กับเชื้อโรคเข้าไปในกระเพาะเยื่อไม่ได้ถ้าเยื่อออกมาคุณมีเชื้อโรคข้างนอก ม, มันมาผสมกับน้ําเยื่อนั่นนั่นได้แต่น้ําเยี่ยวนี่น เ, เขาถึงพยายามพอคุณจะเยี่อเขาจะให้เยี่ยวหัวมออกก่อนตัดเอาหัวมันออกก่อน น้ำเยื่อตอนแรกนี่ให้ตัดทิ้งก่อนเพราะมันจะล้างท่อมันจะล้างเอาถ้ามีเชื้อโรคมันจะมีตรงนั้นนะมีตรงหวัวเพราะฉะนั้นน้ำเยือเนี่ยผ่านออกไปก่อนมันล้างแล้วน้ําเยือนี่มันจะมีฤทธิ์ล้างค่าอะไรงนะ่ า, เาเเ ย, ยาเพราะฉะนั้นมันดังค่าเชื้อโรคได้ค่าเชื้อได้น้ําเยือในค่าเชื้อได้นะเพราะฉะนั้นเชื้อโรคเนี่ยมันจะไล่ออกก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นน้ํานั้นจะสะอาดท่อนี่ถูกชําระแล้วโดยน้ําเยือ เพราะน้ำเยียวมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อด้วยน้ำเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดในร่างกายและเป็นน้ำที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อด้วยน้ำเ ย, ยวเนี่ยเอาละอาตมาไม่ขยายต่อแล้วเรื่องเยี่ยวไปเลยจะเทศนึ่งเยี่ยวซะนี่มันแะมาถึงตรงนี้ก็อธิบายให้ฟังเท่านั้นสรุปแล้วก็คือแต่ก่อนนี้เราเคยเกลียดเยี่ยวพอเรามาฝึกแล้วขนาดเนี่ยเรามากินน้ำเยี่ยวมาเอาเ ย, ยวมาล้างหนา้าอะไรต่ เรื่องเยื่อเป็นธรรมดาแต่ก่อนถ้าเผื่อว่าไข่ศาสน้ำเยื่อมันถูกเราโอ้โหเต้นดินเลยด่ากันตายเลยจะฆ่ากันน่ะถ้าเดี๋ยวนี้ถ้ามันเยื่อถูกเราก็ไม่เห็นเป็นไรเลยน้ําเยื่อก็เป็นธรรมดากลิ่นมันก็อย่างนั้นเน่ยรถมันก็อย่างนั้นนะรถมันก็แปลไปตามอาหารตามธาตุใครดื่มหลายนานแล้วก็จะรู้ของเราเองนี่แหละรถมันก็แปลไปตามธาตุนะก็มีรถไม่คงที่ก็เท่านั้นมันก็อย่างนั้นมันไม่ใช่ของสกปรก เราไม่ได้รังเกยียจมันรังเกยียจแล้วก็ไม่ผิดเพราะมันไม่ใช่ของน่ารังเกยียจอะไรจริงๆอุจจาระก็ชั้นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอุจจาระมันมีเชื้อที่อยู่ในลำไส้ได้แต่อยู่ในกระเพาะเยี่อนี่ไม่ได้แล้วเชื้อเข้าไปในกระเพาะเยื่อคุณตายแน่ถ้าเชื้อเข้าไปในกระเพาะเยื่อนี่คุณตายแน่หมอต้องรีบผ่าตัดเอาทํา อะไรหรือตรงล้างเชือ้อตองฆ่าเชือ้ออะไรกเพราะเยียวย ค, คุณให้ได้แหละเม่งั้นคุณแน่นตายแ น, น่ไม่ได้นะอันนี้การยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนที่เกลียดสิ่งที่มันไม่ได้ชีสิ่งน่าเกลียดอะไรเกินการเน้่เราก็ไปรังเกียจนี่มันต้องฝึกนะทีนี้การงานเนี่ยที่ทำกันเนี่ยที่อาตมาพาทำเนี่ยพวกเราก็เข้าใจกันขึ้นมาดูได้เยอะแต่มันก็ยังไม่ทะลุไม่ละเอียด แล้วก็ปฏิบัติธรรมที่ไม่ปฏิบัติในการงานมันเลี่ยงแต่แก้ตัวต้องไปทาจิตทำใจซะก่อนแล้วก็ไปแบบฤาษีอีกพวกฤาษีที่เป็นนั่งหลับหูหลับตานั่นนะผู้ที่จะเรียนในพบคือเพราะจะต้องมีภูมิผู้ที่ได้อยู่ในกลามาพบเนี่เป็นกามตัณหาเนี่เป็นกิเลสเบื้องตน้นอบายมุขในกามหยาบ สบายมุกนี่เป็นการอยากเป็นความคล่ายอย่างในสิ่งที่หยาบตำ่ำเสร็จแล้วเราก็ไปติดยึดในสิ่งนั้นเราก็ละเสียผู้ที่ภูมิสูงแล้วท่านจึงจะสอนในพพพระพุทธเจ้าไม่เคยยังไม่เคยมีตำราหไหนเลยในพระไตรปิฎกจะมีบทไหนเลยเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้คนบอกว่าอา้าเธอคารวาดนะไปแนะน่นู่นที่แจงลอมฟงังเขาทาป่าไปนั่ง หลังพัดว่างนันนะหลังอาหารแล้วนะไปเลยกินอาหารเสร็จใหม่ๆเป็นนั่งตั้งกายตรงดารงสติคงมัน่นเชื่อาตมาก็เคยทบายฟังว่ากินอิ่มอ่ ม, มันเป็นนั่งคนเดียวที่เปลี่ยวเปียวที่มันได้ทีงั้นเถอะใครนั่งได้ก็เกง่งส่วนมากก็จะนั่งได้จะนั่งอย่างงนเงนีนหรือฝึกฝึกเข้าม า, มากๆก็ได้มัน ก, ก็ตือยู่ในภพ มันเป็นเรื่องยากพระพุทธเจ้าสอนพระสอนนักบวชนักบวชคือใครนักบวชคือฐานอนณาคามีในระดับของศีลวินัยในศีลวินัยระดับอนาคามีเลยศีลสิบนะสมณะนี่เลยศีลสิบแค่นักบวชก็คือเนรเนรอย่างเงี้สักเข็มสิกขาตเนรศีล ส, สิบแล้วศีล ส, สิบนี่ขั้นอนาคามีแล้วพระนี่เลยอนณาคามีแล้วอ่ะถ้าจะว่าจริงๆนั้นเป็นพระพระก็คืออรหรันต เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นสมณะท่านถึงกล่าวว่าสมณะหรือพรามจะเรียกท่านเป็นอรหันต์ก็ได้ถ้าการดีๆในพระไตรปิฎกท่านอธิบายไว้หมดแล้วแต่ก็อเรียกกันลําลองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเหล่ากอขอสมณะก็คือศิ้นสิบขึ้นสินสิบนี่เหล่ากอของสมณะแล้วฐานอนาคามีแล้วฐานสิ้นสิบในฐานานาคามีสิ้นแปดใ น, านากกฐานสกิทาศีหน้าในฐานโสดา ภูมิศีลบริบูรณ์ศีลห่างโซดาพนะ ร, ระพุทธเจ้าท่านสอนอนาคามีนี่ท่านสอนพระท่านสอนว่าไปนั่งตั้งกายตรงอะไรนะั่นท่าในให้สอนเรื่องบีพวะพบบีพวะภูมิภูมิพบในพบในจิตที่ละเอียดราคะที่เหลือก็เป็นรูปราคะอรูปราคะอย่างนี้เป็นสัญลักษ์ของพระอนาคามีอัตตก็เหลืออ่อนอัตตก็เหลือน้อยอันนั้นคือตามฐานะ อนาคามีภูมิอัตาม a r ะก็ต้องน้อยราคาก็ต้องน้อยโทสะไม่มีแล้วเพราะอนาคามีปฏิฆะไม่มีแล้วโทสะไม่มีแล้วไม่มีโทสะมีส่วนราคะส่วนราคะนั้นก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้จริงๆแล้วราคะคือสิ่งที่เราจะต้องปรารถนาใครอยู่ ปรารถนาใครในการเกื้อกูลผู้อื่นปรารถนาใครเพื่อเป็นประโยชน์ผู้อื่นไม่เป็นกินเลสหรอกแต่เราเข้าใจยังไม่ท่วนพูดไปพูดมาแล้วมันวนกันมันปนกันจะว่าอย่างงี้ก็ได้จะว่าอย่างงี้ก็ได้สําคัญก็คือเราไม่เสพเราไม่เป็นตัวเราเราไม่ไปยึดเอาเป็นเราเป็นของเราไม่เสพไม่ติดเนี่ยเป็นหลักทีนี้พอ เราไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจสอนในพระเต็ปิฎกท่านสอนรพระเยอะพระพุทธเจา้าสอนพระเยอนสอนน า, า, าคามีซื้อไม่ใช่สอนคาวะทั้งก็สอนแต่ท่านไม่เคยสอนคารวะไปนั่งหลับตาสมาธิไม่เคยไปตรวจดูได้เลยสอนให้คารวะออกป่าเขาทำก็ไม่มีไปนี่เนี่ยตั้งที่แจงรองฟังไม่มีครับทำงานทำงานมัรองแปด ถ้าถึงฐานที่มันอยากจะสงบแล้วมันจะติดสงบนั่นแหละต้องออกทํางานถึงฐานที่อยากสงบมันติดสงบต้องออกทํางานแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ติดสงบแล้วเมื่อไม่ติดสงบแล้วทีนี้คุณอยู่กับการงานอยู่กับไรายได้จะเป็นการมรามาตาติดการงานหัดสงบซะบ้ า, บางหัดปลีกแยกไปอยู่ที่เดียวๆเปลี่ยวๆไม่มีงานไม่มีการนั่นมันจะฟุ้งซ่านแล้วมันก็จะโอ้โหคิดถึงงานออกป่าอยู่ป่าก็ไม่ได้เพราะไม่ถึงเดือน ไปถึงกี่วันรีบกลับแล้วนั่นก็คือคนติดบ้านติดงานติดโลกียะนี่ต้องพิสูจน์พิสูจน์ว่าเราเองเราอยู่สงบได้ไหมเพราะฉะนั้นเป็นพลาดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนี่เป็นอนาคามีภูมิบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สริงคาเนี่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรอาวรนันแล้วก็ไปหัดสงบอยู่สิอย่างนี้เป็นต้นหัดสงบแล้วจะติดไหม มันไม่ยากเราก็หัดดูสงบจริงไปแล้วไปอยู่ป่าช้าสักสองสาวันหวัน8วันแล้วไปไปอยู่ในที่เงียบๆสักไมู่กี่วันมันก็เรียนรู้จิตใจนั่งตรวจจิตใจตนให้ดีเออเราก็ไม่ได้ห่วงฮาวางสงบดีนะเราวังจะติดที่นี่ติดเข้าก็อยู่เขาอยู่เดือนนึงอยู่เดือนหนึงชักมันให้อยู่ต่อปีเออปีกับมันดีอยู่ห้าปีห้าปีกับมันดีตายฝังเผาอยู่ในป่านั่นเลยติดพบอยู่ตรงนั้นนะ มันต้องเรียนรู้จริงๆแล้วเป็นเพียงเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าเราติดสงบนั่นน่ะมันก็ติดได้แล้วพอเวลาเราจิตใจเราเพ่งพุ่งไอกว่าสงบเป็นอย่างนี้แล้วเราอยู่สงบอินสบายดีมันก็จะติดสงบพราะมันได้ความสงบแล้วมันมันมันได้ความสงบแล้วมันอยู่สงบมันไม่ยากหรอกแต่คุณไม่ได้ความสงบจิตของคุณไม่สงบคุณคุณไม่ได้ความสงบ คุณไปอยู่สงบคุณก็อยู่ไม่ได้คุณก็ต้องมีมีผัสสะก็เราอยู่กับอันนั้นอยู่กับอันนี้อยู่กับน่นอนั้นอะไรต่างๆนานาอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาสองด้านให้ดีเราติดอะไรก็ไม่ได้สรุปแล้วเรื่องการงานเนี่เป็นเรื่องสำคัญมากศาสนาส่วนมากแล้วเขาไม่ค่อยเขียวเข็นคนมาปฏิบัติธรรมมาเป็นพระแล้วโอ้อยู่สงบได้มาตรงบุญวาอะไรก็ชอบเลยเป็นพระที่น่าบูชาเคารพ มันต้องทําอะไรเลยก็เลยไปเฝ้าอยู่หน้ากุฏินั่นแหละโอ้ยท่านเอาแต่อยู่ในห้องในหับท่านสงบดีจริงๆไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับอะไรเลยชอบเพราะมันเอียงตรงไปข้างที่เข้าใจว่าสงบคือแค่นั้นตกลงปลารูปนี้อยู่ไปเป็นปีเป็นเดือนกี่ปีกี่เดือนโอ้โหเข้าฌานหรือว่าทําสมาธิแปดเดือนอะไรก็แล้วแต่จมอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ติดก็ยึดก็ชอบ นิยมกันส่วนพระทำงานนั้นน่ะนิยมพระทำงานนี่คือผู้รู้โลกแล้วก็บอกตัวการของในวงสังคมที่เขามีงานมีกา ร, ม, การมีการได้การเสียมีการมีการแลกการเปลี่ยนมีวัตถุมีอะไ ร, ะไ ร, ะไรต่ตางๆนานาเนี่ยพระท่านจะบอกความจริงพอบอกความจริงไปอย่ายงนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นมอมเมาอันนี้เป็นพิษอันนั้นควรเลิกควร ลดคนลาคณปลักคนปล่อยมันก็ไปกระทบคนที่เสียผลประโยชน์อตาตมาก็ยิ่งต้องทาให้พวกคุณเข้าใจการงานถ้าเราจิตหนึ่งเราไม่เข้าใจผิดสองเราไม่มีความคิดเกียจมากแล้วเราจะทำงานได้อย่างที่ไม่ทุกหนึ่งเราไม่เข้าใจผิดเข้าใจมันถูกเป็นสมาให้ถูกทางดีสอง ที่เกียเราไม่มากเราจะทำงานค้นคว้าได้ไม่ทุกส่วนผู้ที่มีแอาตามาจะไม่แม่นอัาจารัตวิริยะกับอะไรอติรีณวิริยะเนี่ยอันไหนมันเพียรมากอันไหนมันเพียร น, น้อยอตินิรีใช่ไหมอ จ, จารัตนี่คือเพียรมากเพราะฉะนั้นความเพียรที่มากไปกับความเพียรที่น้อยไปเนี่ย ถ้าอาจารยฐวิริยะความเพียรที่มากเนี่ยไม่ต้องกลัวง่ายหรอกอาตมากลัวความเพียรน้อยไปอติรีณนะวิริยะหลีกหนี้เออจาคํานะว่าลีณปฏิรีณนิปฏิรีแปลว่าหนีอติรีณห น, นีความเพียรวิริยะอ่า จ, จําตรงนี้ไว้ก็เขาจะได้ดีเพระบาลีมันชัดอยู่อัจารยฐวิริยะคือเป้นผู้เพียรมากไป ก็เป็นภัยเหมือนกันเพียรมากไปสุขภาพร่างกายเสียหรือว่าเพียรแล้วเราก็จะยดติ ด, ตดยึดมันมากแต่มันไม่เป็นไรกว่าอาตมามไม่เป็นไรกว่าเพียร น, น้อยเพราะยังบอกกันยึกว่ายังเข้าใจคนเรานี่ถ้าไม่ติดยึ ด, ยดไม่ดึงดันเกินไปแล้วมันไม่โลภโมโทสันกันหนักแล้วเนี่ยบอกให้หยุดงานเนี่ยมันหยุดง่าย ถ้ามัโลภโมโทสันยังมากอยู่แน่นอนบอกให้หยุดงานมึงก็ไม่หยุดหรอกแต่ถ้าไม่โลบโมโทสารนั้นบอกให้หยุดงานง่าจ่ายไปใช่ไหมส่วนคนขี้เกียจนีส่สิเข็นแล้วเข็นอีกโอ้ยกึงกับโบขึ้นภาษาอีสานกึงหมายคำว่างัดแล้วแสะแล้วงัดทั้งงัดทั้งแสก็ไม่ขึ้นกึงภาษาอีสาน กึ้กับบุคคลทั้งงัดทั้งแสก็ใหม่ขึ้นไออย่างนี้อหนักนะเพราะงั้นอาตมาสอนนี่ในแนวโน้มที่มันควรจะเป็นคนเราควรจะเป็นไปในทางขี้เกียดนี่มากคนจะควรจะเป็นไปนในทางขยันเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นอาตมาต้องสอนในทางที่มันยังขาดอยู่อย่างน้อยอยู่ใช่ไหมนะมีว่า ง, งี้เป็นคำที่ พ่อพอหรือว่าคําที่แยง้งบอกว่าพวกเราที่เข้ามาอยู่วัดกันส่วนใหญ่นี่ก็เพราะว่าเบื่อนายจากการงานที่ได้ทํามาทางโลกเช่นว่าเคยเป็นช่างมาก็เป็นมาจนเบื่อแล้วจะไม่ทําทงานช่างอีก เ, เบื่อนะเบื่องานช่างนะทีจริงเบื่อตัวนี้คือกิเลสอย่างยิ่ง จริงๆแล้วทำงานช่างนะมันไม่เบื่อเราถ้าผมไม่มีกิเลสงานช่างเป็นงานที่ควรทำต้องการคนทำงานช่างนี่งานขาดแคลนอยู่เลยเนี่ยและเราเองเราก็เรียนมาเราก็มีฝีมือทำงานมามากด้วยทำช่างมามากชำนาญด้วยเก่งด้วยจะเบื่อเป็นเบื่อทาไมก็เราเก่งและมันก็เป็นอุปสงคมันยังไม่ได้เฟ้ออะไรเลยมันยังไม่มันยังขาดแคลนนะคนทำงานช่างเป็นครูมาสุดจะเบื่อ นี่หลายคนจะรู้ตัวเลยตอนแรกมากขาเบืพอมาถึงนี่พอเรียนเข้าไปเออเขอวยวายั่งยั้งคลายไม่เป็นไรไมันปล่อยได้อ่าตรลงเอาละเป็นครูก็เป็นครูเราไม่ไปถนัดไปทําปลระเราก็ทําครูนี่แหละอ่เราไม่ค่อยถนัดไปทําอาหารมรทรก็ทําครูนี่แหละอา่าเราไม่ถนัดไปทําช่างทําครูมันนี่แหละอะไรอย่างนี้เป็นต้นอา่า ก็พอวางใจได้ก็พอรู้ว่าเออสุดท้ายก็อย่างนี้เนาะคนเราต้องมีกรรมมันตะมีอาชีวะก็ต้องมีการงานก็ต้องมีอาชีพไม่มีการงานไม่มีอาชีพเลยจะไปสร้างสรรค์อะไรอย่าปล่อยปลาละเลยชีวิตทั้งชีวิตไม่เป็นประโยชน์อะไรได้ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นคนที่เคยทํางานอะไรมาก็แล้วแต่ข้างนอกเมื่อมาม า, มาถึงที่นี่ก็แม้จะมาปฏิบัติธรรมจะมาสงบอ่าก็จะต้องพยายามที่จะ ต้องมาอยู่วัดนี่ก็อยากมาสงบมาหาความสงบจะมีเวลาอ่านหนังสือธรรมะจะทําจิตให้ว่างจะทําบิตให้ว่างให้เบาให้สบายก็นี่แหละทำงานนี่แหละหัดทําจิตให้ว่างในงานว่างจากกิเลสขยันทำํำอุยทํางานขยันไม่มีกิเลสจิตไม่มีกิเลสเข้าใจไหมทํางานขยัน ม, มีกิเลสไม่ใช่ว่าไม่ขยันนักกิเลสตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ต้นทางแล้วกิเลสตั้งแต่ต้นทางไม่ขยันไม่ทํางานก็ <c ười> ขี้เกียจสิมันก็กิเลสตั้งแต่ต้นทางแล้ ว, ลวจะบอกว่าละ ก, กิเลสวางกิเล ส, เลสตรงไหนเล้วอย่างงั้นนะก็วางกิเลสไม่ขยันขยันเข้าเนี่ยเห็นไหมว่าได้วางกิเลสไม่ขยัน วางใจมัขยันขยันทำงานแล้วก็าหัดวางกิเลสในขณะที่ทำงานไปเลยแล้วก็ขยันสร้างสรรไปได้โอ้เบิกบานได้เรื่งทงานได้สบายยินดีมีฉันทะมีวิริยะกิตตวิมังสาโอ้โหเป็นไปด้วยอิทธิบาทสีอย่างเต็มบริบูรณ์เป็นคนประเสริฐต้องมีอิทธิบาทแข็งแรงนะไม่ใช่มีอิทธิบาทเหยาะแยะ่ ชันทะนี่คือความต้องการคือความปรารถนาดีความปรารถนาชันทะนี่ยินดีมีความยินดีเต็มใจไม่ใช่ความหนีความถอยนะชันทะเพราะงั้นบางคนก็มาแก้ตัวแหมจะได้มีเวลาไม่ไปทำงานก็จะได้มาอ่านหนังสือทำความสงบอยู่ให้สงบแล้วนี่จะต้องมาถูกเคี่ยวเข็นในทางานหูหน้าเบื่อหน่ายอยังเก่าอะ่ะ คือยังสงสัยยังลังเลอ่ายัางสงสัยลังเลสงสัยลังเลอันนี้ไม่ใช่สงสัยลังเลว่าโอ้ทางานมาจนไม่สงสัยแล้วแหละก็คุณทำงานมาอย่างนั้นทำงานมาด้วยกิเลสคุณก็เลยเบื่องานที่เป็นกิเลสมันพาทุกนะทงานด้วยกิเลสเนี่ยโลกมอเสันแข่งขันแข่งแย่งชิงอะไรก็แล้วแต่นานาสารพัดอย่างแน่นอนคุณทุกแต่มาทำงานที่นี่ไม่ต้องแย่งชิงแข่งขัน จริงๆคุณจะรู้สึกเลยว่าจะแข่งขันยังไงข้างนอกเนี่ยแต่ก่อนนี่คุณแข่งขันจะเอาเท่านั้นขั้นเท่านี้ขั้นจะเอาเด่นเอาดีเอาโดง่งเอาเอาลาบให้มันได้แห ล, ลกมามากๆคุณก็แข่งเขาทั้งนั้นที่นี่ให้มันดีเถอะมันไม่ต้องแข่งกับใครหรอกใช่ไหมให้มันดีให้มันจเจริญเนี่ยมันอย่าเหยาะแยะเท่านั้นเองมันเต็มที่คุณก็ไม่ต้องแข่งกับใครมันก็ไม่ทุกข์แล้วนี่อ อย่างน้อยก็แข่งกับตัวขี้เกยียจของคุณน่ะแข่งเข้าไปตัวขี้เกยียจเอาชนะมันให้ได้ตัวขี้เกยียจนะคุณต้องทำแบบนี้ให้พ้นสงสัยไอ้ที่ไปทํางานแข่งกับขี้แข่งกับคนทั้งนอกแข่งกับลาบอย่างราบอย่างยศอย่างสรนเสริญกันอยู่นั่นนะแน่คุณเบือ่ออะไรอย่างนั้นมันทุกแน่นอนคนทําอย่างงั้นทุกแต่คนมาทําอย่างนี้เนี่ยไม่ทุกหรอกไม่ทุกหรอก อาตมาเองอาตมาไม่ได้แข่งกับใครทำโอ้โหมันไม่ทุกเรแล้วยิ่งทำมันมันเมื่อยถ้านะั้นทำมากมากเขามันก็เมื่อยก็พักผ่านไม่ไหวก็พักมไม่เมื่อยก็เพีนยูยังอยากมีเวลาวันละสาสบกชั่วโมงมันไม่พอนะทำงาน เพราะะในมุมต่างๆที่อาตมาว่าเนี่ยมันไม่ใช่ของธรรมดานะเพราะเราต้องคำคำคำนึงถึงเสมอว่าถ้าเราไม่อ่านจิตไม่อ่านความจริงแล้วเราจะไม่รู้ว่าเราเองเราโตรงไปข้างไหนแล้วเราควรจะทําข้างไหนสรุปแล้วเราก็จะต้องหนึ่งล้างความขี้เกียจขยันหมั่นเพียรแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งที่เป็นกิเลส ข, ของเราให้จริงนี่แหละการทํางานนี่แหละเป็นการทําจิตให้ว่างคุณทํางานแล้วจิตว่าง ทำงานแล้วหมดกิเลส ท, ทำงานแล้วไม่เกิดโกรธใครจะมายี่ยวมาโยนคนที่จะโกรธง่ายมันมีทั้งหลายอย่างหนึ่งหิวมากโกรธง่ายสองง่วงนอนมันง่วงนอนโกรธง่ายอะอะไรบ้างอะอาตมาเคยบอกไว้ทั้งอะอะหนึ่งหิวสองง่วง สมเหนื่อยสีเจ็บป่ว ย, ปปวยหิวเหนื่อยป่วยอตาจัดอตาจัดนี่รวมไว้ถ้าจะแยกย่อยในอตาก็ได้อีกนะมันมันมันมันโกรธง่ายใครหิวมากอย่างน้นมันโกรธง่ายอ่ง่วงเพลียง่วงโกรธง่ายอ่ป่วยเจ็บนี่ก็ใจสอโกรธง่ายะ อัตาจัดถือดีก็โกรธง่ายถือตัวถือดีนุน่นนีนนนน่อะไรใครมาแตะไม่ได้ใครมาต้องไม่ได้ยาง ง, งง่วนยางงี้อะไรนอะโหยึดมันถือมันมากๆโกรธง่ายปุบวับะนะเพราะเราจะต้องดูต้องต้องฝึกฝึกสิ่งเหล่านี้จริงว่าเราจะไปโกรธง่ายทำไมหิวก็คือหิวหิวก็ไปกินสิหากินซะหยุดพักไปกินซะนเหนื่อยก็พักซะสิง่วงนอนนอนเพราะว่าเรานอนไม่พอ หรือว่านอนพอแต่มันมันีนามิธาติดเนี่ยท อ, อนอนโหเฟ้อแล้วแต่กูก็ยังยังตะกะาตะกรามนอนอยู่อีกไอ้ยังไงก็ต้องรู้ตัวเองพราะอย่างนั้นไม่ได้อย่างงี้ต้องแก้ไข อ, อารมณ์ที่จะตัดกิเลสไอ้เรื่องเกี่ยวกับติดง่วงติดนอนนี่อีกเรื่องหนึ่งโดยตรงเพราะเราจะไปถือไปโกรธง่ายไม่ได้ต้องหัดฝึกนะ จ็ป่วยก็รักษาเขาก็ไม่ได้บังคับอะไรเจ็บป่วยก็ไม่ได้ไล่ไปทงงํางทํางานอะไรโดยเฉพาะคนอัตตาจัดนี่นะคนที่มาแก้ตัวว่างในอัตตาจัดทั้งนั้นนะะรู้มากยากนานนีนะ่ทำเป็นแหมมีมีความเฉลียวฉลาดหาขอแก้ตัวให้ตัวเองไม่อยากทํางานนะ น้องทำงานนี่แหละคือปฏิบัติทําให้จิตว่างให้จิตสงบให้เบาสบายนะจะได้ไม่เบื่อหน่ายคนเรามันหมดสุดท้ายเนี่ยมันเบื่ออะไรเบื่ออย่างโรคๆเบื่อโล ก, กีไงไม่ใช่มาเบื่อความเป็นคนไม่ใช่มาเบื่อการงานไม่ใช่มาเบื่อความขยันไม่ใช่ไม่ใช่มาเบื่อมาทําสิ่งที่ดีงามไม่ใช่คุณทํางานสิ่งที่ดีงามคุณทําประโยชน์คุณฆ่าสร้างสรรค์นี่มนมันมั น, มนม่น่าเบื่อทําไมอะ อาตมาก็เคยพูดใน้ฟังมีคนถามอาตมาเบือบ่อมั้งไหมอาตมาไม่เห็นเบื่อเลยอ้าวไม่เบื่อก็มี ม, มินิพพิธาสิแล้วเห็นไหมมันปน ล, ละมันวนละนิพพิทาเบื่อกิเลสนะ่ะเบื่อไอ้เจ้ากิเลสมาเป็นเจ้าเรือนเบื่อในโลกีย์ย่าที่มันจะต้องไปแย่งไปชิงลาบยศสรรเสริญโลกีย์สุเบืออ่ออีกงี้ยไม่เอาแต่ไม่ได้เบือ่องานเพราะต้องมีกรรมสามไม่จะมีแต่กรรมมนโนกายกรรมยังไงนิ่ง สงบแล้ววิธจกรรมยป็นไงอมแล้วปากอมตุยไม่พูดแล้วอยยังงี้มันไม่ใช่ปกติธรรมชาติไม่ใช่วิสัยมนุษย์มันเป็นการทำชั่วคราวคุณหลับคุณนอนคุณก็ทำอย่างนั้นได้นะไม่หลับไม่นอนคุณก็อยู่ปกติจิตขึ้นสู่วิถีแต่เราสามารถที่จะรู้จักทุจริตกรรมรู้จักนิวรณ์เพราะทุจริตกรรมไม่มีนิวรก็มีมี ละทุจริตไ ด, ด้นิวรณก็ลดนิวรณ์ลดหมดอวิชาก็หมดเพราะนิวรณเป็นอาหารของอวิชาเพราะฉะนั้นในสูตรอาหารทั้งหมดเนี่ยจากกรรมสามแล้วก็ต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยอะไรเป็นอาหารของกรรมสามไม่สํารวมอินทรีย์หกเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันสัมผัสมันมันเป็ น, ป น, ปนไม่สํารวมมันผัสสะแล้วมันเป็นยังไงก็หมายรู้เรื่อง มันเกิดเวทนาเคหสิตะสมนัตทมณัตอุเบคาอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะั้นเราต้องรู้ผัดสะในอินทรีย์ทั้งหเมื่อผัดสะแล้วเป็นปัจจัยแล้วเป็นยังไงเรียนรู้ทั้งองค์ประชุมกายะเรียนรู้ทั้งเวทนาวิจัยลงไปในเวทนาเห็นในจิตในจิตชัดๆเลยว่า ก, กิเลสเป็นอย่างนั้นอยูแทรกแทงอยู่ในจิตอย่างนั้นอันนี้นี่เป็นเวทนาสมนัตทุก โทมนัตเพราะมีกิล เ, กเกลสอย่างนี้มันจึงเกิดโทมมนัตเพราะมีกิเลสอย่างนี้มันจึงเกิดโทมนัตกิเลสในจิตรู้จักเจโตปริญานสิรู้จักเวทนาร้อยแปดรู้จักธรรมะตั้งแต่นิวรณ์อุปทานขันห้าอายตนะหกโพธิงเจ็ก็รู้ว่าเรากําลังปฏิบัติมรักแก็อ๋อพ่อพายอริยสัจสี่เราก็รู้ว่าเรากาลังปฏิบัติอยู่ในองค์อริยสัจสี 4. นี่ สติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมมีหมดครบอย่างนี้ในภาวะปฏิบัติธรรมปฏิบัติงานนะอย่างนี้เร็วกว่าขอยืนยันเพราะฉะนั้นคําแก้ตัวต่างๆที่มาแยงมายอ้อนอาตมาเหล่านี้นี่มันเป็นคําแยงที่มันพาลงทิศลงทางไปมากนะก็ขอย้ากับพวกเราขอยืนยันกับพวกเราว่าที่อาตมาพาธรรมนิพพุสูตรเถิด พิสูจน์ได้เราจะรู้มันไม่ง่ายทฤษฎีมรรคองแปดทฤษฎีโพธิปักเกียธรรมมันไม่ง่ายถ้ามันง่ายมันไม่ลืมเลือนถ้ามันง่ายมันไม่มันไม่แปรปรวนไปได้เร็วถึงขนาดนี้หรอกเพราะมันยากคนรักษาไว้ยากรู้ได้ครบคันยากนำพากันให้เป็นให้มีได้ยากมันจึงถดถอยเร็ว ถึงวาระกึง่งพุทธศาสนา 2,500 กว่าปีชักจะเกือบจะไม่เรือแล้วแล้วก็จะใครรู้ทันคนนั้นก็ใช้กรรมกิริยาอิริยาบทต่างๆมีผัสสะเป็นปัจจัยต่างๆหูจมูกทิ้นกายใจนี้เป็นตัวปฏิบัติและลดละให้ถูกสภาพให้ได้มักได้ผลที่แท้จริงแล้วเราจะไปสู่ทางเจริญทุกวันนี้ยิ่งงานก็มากขึ้นอาชีพที่เราจะต้องรับผิดชอบ ก็ขอยย้ำกับพวกเราว่าใครจะตั้งอกตั้งใจถนัดในงานไหนพยายามเถอะรับผิดชอบตอนนี้ต้องรับผิดชอบงานการแล้วก็เอาให้จริงมันจะกลายเป็นสภาพที่ปลูกฝังเมื่อคุณเองคุณมั่นใจแล้วนะปลูกฝังได้แล้วคุณมั่นใจว่าเอองานนี้มีผู้รับช่วงหรือว่างานนี้เราอยากจะไปทำงานอื่นเพื่อพิสูจน์ทดสอบบ้าง ก, ก็ค่อยทา ถ้าเปื่อว่ามันไม่มีปัญหาหรอกทางานนี้ก็ละกิเลสได้หมดคุณก็ทํางานนั้นแหละรู้กิเลสมันจริงเดี๋ยวก็มีคนจรไปจรมาหรอกไม่ต้องห่วงหรอกผัดสันะคนคุณทํางานในทำงานดีๆมีคนนิยมเองนะเดี๋ยวคนนั้นก็อยากมาทําคนนี้นก็อยากมาทำหรือคนนั้นก็อยากมาลองไปรเดี๋ยวก็เจอโจทย์ไม่ต้องกลัวหรอกมันมา <c oughs> มีทั้งนั้นอนะ่ะมันต้องห่วงเจอโจทย์ ข้อสำคัญจะอยู่ในภพคนเดียวกันไว้เอยู่ในภพอย่างที่ว่านะ่ะอยู่ใ น, นธรนตกรรมแหล่งที่ขังตัวเองทำงานคนเดียวฉันไม่ชอบใครใครอยากยุ่งพวกนี้อัตตามาณใหญ่ชอบทำคนเดียวอยู่คนเดียวใครผัสสะไม่ได้ใครผัสสะมันไม่สมใจเาะนั้นมันทำอะไรได้ตั้งใจว่าของของฉันใครอยากยุ่ง ตัวเองก็เลยไม่ต้องลดอัตตามานะพอดีนะอาละวนเวียนไปพูดซ้ำพูดซากก็ต้องพูดซ้ำพูดสร้างนี่แหละพูดอีกเมื่อไรก็พูดอีกก็คิดว่าพอเราจะเข้าใจดีแล้วเราก็จะได้ภาคเพียรช่วยเหลือเฟอื่อฟายกันดังสัเพราะตอนนี้งานจะมาบอกแล้วว่างานจะมาเราจะต้องรับงานให้ดีๆสาหรับวันนี้เอวัง